แก้โรคย้ำคิดย้ำทำน่าสังเกตว่านิสัยย้ำคิดย้ำพูดนิสัยขุดเรื่องเก่าขึ้นมากวนน้ำให้คุณและนิสัยซ้ำเติมตัวเองให้รู้สึกแย่คูณสองหรือคูณสิบจะมาจากต้นเหตุเดียวกันคือวิธีคิดวนวิธีคิดแบบไม่มีเป้าหมายมนุษย์เราเกลียดการซ้ำเติม เกลีดการเหยียดยามด้วยถ้อยคําดูถูกแต่แปลกที่โดนซ้ําเติมและดูถูกบ่อยที่สุดก็ด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและเมื่อซ้ําเติมตัวเองได้ก็ซ้ําเติมคนอื่นได้ยิงคิดยามพูดได้ขุดเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องนาเศร้าที่สุดคือการถอนจิตจากวังวนอารมณ์เศร้าไม่ได้เราไม่เคยฝึก ไม่มีใครสอนมัวแต่ฝึกมัวแต่อบรมกันแค่เรื่องนอกตัวเรื่องในใจแทบไม่มีใครสนจะสนอีกทีคือต้องเยียวยากันยากเย็นแล้วก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ได้ว่าที่จิตคิดวกวนก็เพราะไม่มีเป้าหมายดีๆให้มุ่งคิดตามลําดับและที่จิตถอนตัวเองออกมาจากความเศร้าไม่ได้ ก็เพราะไม่มีอารมณ์น่าชื่นใจมาแทนที่เมื่อเข้าใจตรงกันเช่นนี้สิ่งที่ทำได้ทันทีก็คือหาอะไรที่คลี่คลายความวกวนขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุ่มชื่นใจไปด้วยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแม้ในทางจิตเวชระดับโลกว่าการสวดมนต์ เป็นวิธีที่ได้ผลดีได้ผลเร็วกับทั้งลงทุนน้อยช่วยให้ร่างกายหลั่งสารดีๆเกิดความรู้สึกชุ่มชื่นคลายปมเครียดสมองได้ตั้งหลักใหม่ให้คิดน้อยลงและมีความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้นในทางพุทธบทสวดที่ดีบทสวดที่เย็นบทสวดที่เป็นหลักใจให้ตั้งต้นคิดใหม่ด้วยแสงสว่างได้ คือบทสวดที่ชวนใจให้สละความโลภความคิดเอาเข้าตัวหรือความเห็นแกตัวที่เกาะกินใจเหนียวแน่นได้ซึ่งก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าบทสวดอิทธิปิโสอันเป็นบทที่ไม่ได้สอนให้คาดหวังไม่ได้สอนให้วอนขอมีแต่จะให้สรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าเดียวผู้ที่สวดเป็นจึงประจักษ์ประสบการณ์ทางธรรมชาติที่ว่ายิ่งให้ไป ยิ่งได้มาการสวดมนต์ช้าชัดเปล่งเต็มปากเต็มคําโดยมีเป้าหมายแค่จะถวายแก้วเสียงเป็นเครื่องบูชาสามารถทําจิตให้เปลี่ยนไปในเวลาอันสั้นเพราะเมื่อเล็งชัดว่าคุณจะถวายแก้วเสียงจิตย่อมเล็งที่การสวดและการเปล่งเสียงอยู่มีเป้าหมายชัดเจนให้จิตอยู่ เมื่อจิตมีสมาธิกับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ความสว่างเย็นและความชุ่มชื่นอันศักดิ์สิทธิ์ย่อมบังเกิดสามารถสังเกตได้ว่าจบการสวดหนึ่งรอบสุขมากขึ้นนิดหนึ่งหรือสุขน้อยลงหน่อยหนึ่งกว่ารอบก่อนแปลกแต่จริงแม้การเห็นความไม่เที่ยงของความสุขก็จัดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายๆ เพราะสุขชนิดนั้นเป็นความสุขอันเกิดจากการได้อิสรภาพเลิกยึดมันว่าจะต้องสุขหรือทุกข์ตลอดไปสรุปคือถ้าสวดมนต์เป็นคุณจะมีช่องว่างเว้นวักจากอาการย้ำคิดย้ำทำคือมีเป้าหมายอันชุ่มชื่นชัดเจนอยู่ในปัจจุบันเลิกขุดเรื่องอดีตมาพล่ามบนได้เลิกทําร้ายจิตใจตัวเอง ด้วยความคิดภายเรือในอ่างได้และมีสิทธิ์กลายเป็นนิสัยถาวรหากนำไปต่อยอดเป็นชีวิตประจำวันที่มีเป้าหมายอันชุ่มชื่นทางอารมณ์ด้วยหมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่ต้องการสวดมนเพื่อเพิ่มพลังสมาธิก็สามารถสวดมนภาษาบาลีได้เลยนะครับแค่ว่าในระหว่างการสวดมนนั้น จิตต้องจดจ่ออยู่กับคำสวดทุกคำให้ได้ต้องมีความรู้สึกตัวในการสวดมนต์ตลอดเวลาด้วยนะครับถึงจะเกิดประโยชน์ได้จริงส่วนคนที่ต้องการปัญญาหรือต้องการประโยชน์มากกว่านั้นควรสวดแล้วเข้าใจคำแปลหรือถ้าเป็นคนทั่วไปแนะนาให้สวดเฉพาะภาษาไทยที่แปลแล้วเลยก็ได้นะครับ ทดสอบได้จากบทสวดมนต์ภาษาไทยที่ผมเรียบเรียงไว้ดาวน์โหลดและฟังได้ฟรีในช่องนี้เช่นกันนะครับหลายปีที่เผยแพร่ามามีผู้คนจำนวนมากได้ประโยชน์จากบทสวดนี้เกิดปิติเกิดสุขเกิดปัญญาเรื่องนี้ต้องทดสอบด้วยตัวเองนะครับว่าการสวดมนต์ด้วยภาษาไทยล้วนมีประโยชน์แค่ไหนเกิดทั้งสมาธิสติและปัญญาแค่ไหน ศา ส, สนาทุกศาสนาในโลกนะครับเขาสวดมนต์แล้วเขาแปลออกเขาสวดในภาษาที่เขาเข้าใจกันทั้งนั้นหลายศาสนาเมื่อเผยแพร่ไปในประเทศอื่นก็มีการแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆและให้สวดเฉพาะภาษานั้นๆหรือไม่ถ้าเขายังคงภาษาเดิมก็จะมีการให้เรียนภาษาดั้งเดิมนั้นจนเข้าใจความหมาย การสวดการท่องบนไปตลอดเวลาหรือทุกครั้งทำให้เข้าใจความหมายว่ากำลังสวดอะไรอยู่ความยุ่งยากทางจิตจะไม่เกิดเลยถ้าสวดแล้วเข้าใจทันทีด้วยภาษาเดียวนะครับแต่ถ้าสวดแล้วไม่เข้าใจสวดสิบปียี่สิปีก็ยังแปลไม่ออกหรือสวดประโยคหนึ่งแปลประโยคหนึ่งนี่คือความยืดเยื้อที่ส่งผลต่อคนรุ่นใหม่นะครับ ทดสอบได้ทุกคนนะครับว่าการสวดด้วยภาษาที่ตัวเองเข้าใจล้วนๆนั้นมีผลดีอย่างไรขอให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการสวดมนต์ด้วยภาษาที่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าขลังคิดว่าศักดิ์สิทธิ์คิดว่าจะช่วยให้โชคดีร่ำรวยคิดว่าจะทำให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้โดยที่เราสวดแล้วไม่เข้าใจบทสวดนั้นถือว่าเป็นศิละปะตรามานะครับ เป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้คือการติดลัทธิพิธีเชื่อมงคลตื่นข่าวลางดีลางร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าหากอยากพ้นทุกข์ก็ต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยสวดแบบปลาไม่ออกได้สมาธิแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าสวดแล้วได้สมาธิได้สติได้ปัญญาได้พิจารณาธรรม จนบรรลุเข้าถึงธรรมไปด้วยบทสวดหลายบทในพระพุทธศาสนาเป็นการนำคำสอนนำพระธรรมมาท่องจำให้ใจได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าใจความจริงจึงเกิดปีติเกิดการเข้าถึงเข้าใจจนวางคลายสิ่งเหล่านั้นถอนการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนบรรลุธรรมได้จริงสำหรับท่านที่สนใจ ลองฟังในหัวข้อบทสวดมนต์ภาษาไทยในช่องโจโจเสียงธรรมก็ได้นะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย